อภิวาธนศสีลิสณิตยังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัทานิอายุวันโนสุขังภาลังาวาตุสัพพามังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ สถาโสถีพะวันตูติ